เจริญพรท่านผู้มีจิตสัตตามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญทางจิตใจให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง ขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดการที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันได้อย่างสม่ำเสมอมาวัดกันได้อย่างต่อเนื่องเพราะท่านมีคุณธรรมที่วิเศษอยู่สี่ข้อด้วยกันเรียกว่าอิทธิบาทสอิทธิบาท แปลว่าทางสู่ความสำเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางการที่ใครก็ตามถ้าอยากจะพบกับความสำเร็จพบกับความยิ่งใหญ่ต้องมีคุณธรรมสี่ประการนี้ ต้องมีอิทธิบาทสีถ้าไม่มีอิทธิบาทสีก็เหมือนรถยนต์ไม่มีน้ำมันรถยนต์ต่อให้เป็นรถมีราคามากแพงมากมายขนาดไหนก็ตามให้มีสมรรถภาพในการวิ่งได้อย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่มีน้ำมัน รถกวิ่งไม่ได้ฉันใดจิตของพวกเรานี้ก็เป็นจิตของผู้วิเศษกันจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์จิตกับของพวกเรานนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นรถยนต์ก็ยี่ห้อเดียวกันต่างกันตรงที่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ ท่านมีน้ำมันคือท่านมีอิทธิบาทสี่มีอิทธิบาทสีเต็มถังเหมือนกับมีน้ำมันเต็มถังพวกเรามีอิทธิบาทสี่เหมือนกันแต่ยังมีไม่เต็มถังพวกเรามีพอที่จะขับไประยะทางใกล้ๆได้แต่จะให้ขับไประยะทางไกลๆนี้ ยังไปไม่ไหวเดี๋ยวไปครึ่งทางก็จะน้ํามันหมดเนี่ยสาเหตุที่พวกเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานกันยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เป็นเพราะว่าน้ํามันเรายังมีไม่เต็มถังเรามีอทธิบาเสียยังไม่ครบเต็มร้อย ถ้าเรามีอิธิบาทีครบเต็มร้อยเมื่อไหร่เราก็จะไปถึงพานิพพานได้ดังนั้นการที่พวกเรามาวัดนี้ก็เป็นการมาเติมน้ำมันนี้เองมาเติมอิทธิบาทีให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาคำสอนของพระพทธเจ้าไปปฏิบัติตามกำลังของเราพอเราได้รับผลจากการปฏิบัติเราก็จะมีอิทธิบาทสีเพิ่มมากขึ้นอิทธิบาทสี่นี้คืออะไรก็คือหนึ่งฉันทะแปลว่าความยินดีความชอบความพอใจ 2. วิริยะแปลว่าความขยันหมั่นเพียร 3. จิตตะแปลว่าใจที่จดจ่อแน่วแนนะ่ต่อการกระทาต่างๆที่เราได้ตั้งใจเอาไว้และ 4. วิมังสาคือการคิดค่้ควรอยู่กับเรื่องของงานที่เราทำ เพียงอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวคิดแต่เรื่องงานที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมานี่คืออิทธิบาท4ก่อนที่เราจะทำาอะ ไ, ได้เราต้องมีความยินดีก่อนถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ยินดีเป็นอย่างไรทำไม่สาเร็จแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เรายินดี เรามักจะสำเร็จกันเด็กนักเรียนที่เรียนจบปริญญากันได้เพราะมีความยินดีที่จะไปโรงเรียนมีความยินดีที่จะฟังอาจารย์สอนมีความยินดีที่จะทำการบ้านดอ่านหนังสือพอเวลาไปสอบก็สอบผ่าน เด็กที่เรียนไม่จบก็เพราะว่าไม่มีความยินดีที่จะไปโรงเรียนไปข้าห้องเรียนไปทําการบ้านพอถึงเวลาสอบก็สอบตกก็เลยไม่มีกําลังใจที่จะเรียนต่ อ, อเหตุที่จะทําให้เราเกิดความยินดีขึ้นมานี้เป็นอะไรก็คือความรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่เรายินดีนั่นเองถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เกิดความยินดีเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าไปโรงเรียนแล้วผลจะได้อะไรกลับมาเราก็จะไม่อยากจะไปเรียนแต่ถ้าเรารู้ว่าการเรียนหนังสือนี้เป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่จะพาให้เราไปสู่ ความสำเร็จต่างๆได้เราอยากจะเป็นเศรษฐีเราก็เป็นได้เราอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เป็นได้ถ้าเรามีการศึกษาถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็จะเป็นคนยากจนเป็นขอทานเป็นกรรมกรเพราะเราไม่มีวิชาความรู้ที่จะเอามา ใช้ในการทำมาหากินเราต้องใช้แรงของเราแรงของร่างกายซึ่งไม่สามารถที่จะผลิตผลที่มีประโยชน์ได้มากเท่ากับความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษาจากโรงเรียนจากมาหาวิทยาลัยเช่นคนที่จะเป็นหมอได้ก็ต้องไปโรงเรียนต้องเรียนหนังสือ ตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปอนุบาลมัธยมมัธยมอุดมศึกษาถึงจะเรียนจบเป็นแพทย์ได้การที่จะเรียนได้ก็ต้องมีความเย็นดีเพราะรู้ว่าเวลาเรียนจบแล้วจะได้เป็นแพทย์ได้เป็นหมอมีอาชีพที่สบายมีรายได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของอาชีพนี้นี่เป็นเพราะว่ามีความรู้ว่าการเป็นหมอนี่ดีแล้วอยากจะเป็นมีความยินดีอยากจะเป็นก็เลยยินดีที่จะไปเรียนหนังสือไปศึกษาไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้เรียนจบเป็นหมอขึ้นมา นี่ก็คือต้องมีฉันทะในข้อแรกก่อนเช่นเดียวกับการมาทําบุญมารักษาศีลมาชำระใจให้สะอาดอันนี้ก็ต้องมีฉันทะความยินดีถ้าญาติโยมไม่มีความยินดีญาติโยมก็จะไม่มาเหมือนกับคนที่ไม่ได้มาคนที่ไม่ได้มาเพราะเขาไม่ยินดี ที่เขาไม่ยินดีเพราะเขาไม่รู้ว่าการทําบุญการละบา ก, การชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ได้อะไรกลับมานั่นเองถ้าเขารู้ว่าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เป็นได้ความสุขที่ถาวรได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขของมหาเศรษฐีแล้วก็ถาวรนกว่ามหาเศรษฐีความสุขของมหาเศรษฐีนี้เป็นความสุขชั่วคราวเวลาตายไปแล้วความสุขที่ได้จากมหาเศรษฐีก็จะหมดไปแต่ความสุขที่ได้จากพระนิพพานไม่มีวันหมดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุข ของพระนิพพานยังเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเช่นในหัวใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกในขณะนี้<ม>ก็ยังมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเพียงแต่เราไม่สามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าติดต่อกับพระอาหารหันตสาวกได้เราก็เลยไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ตามจริงท่านมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันตายด้วยเพราะชีวิตของท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเป็นที่ตั้งเมื่อก่อนันท่านใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของชีวิตของท่านเหมือนกับพวกเราที่ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของชีวิตของพวกเราเพราะเราไม่รู้ว่า เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี้มาเป็นที่ตั้งนั่นเองมีพระพุทธเจ้าที่รู้เป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งเพราะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งไม่ถาวรตั้งได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็พังแล้วเหมือนกับบ้านที่เราอยู่อาศัย อยู่ไปได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าต้องเสื่อมต้องพังไปเราก็ต้องย้ายบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่ฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่หาร่างกายอันใหม่มาเป็นที่ตั้งของใจของเราต่อไปเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้ ร่างกายมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เป็นเวลาที่ไม่ดีเลยเพราะไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่มันเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่มีใครจะยับยั้งได้ถ้ามีร่างกายแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระพุทธเจ้าช่าถึง เห็นโทษของการมีร่างกายท่านจึงสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งสร้างพระนิพพานขึ้นมาด้วยการทำบุญด้วยการละบาปด้วยการชำระใจให้สะอาดโอยสุดนี่แหละคือเหตุที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกาย แต่มีความสุขมากกว่าการมีร่างกายและไม่มีความทุกข์เหมือนกับการมีร่างกายถ้าพวกเรารู้ว่านี่คือผลที่พวกเราจะพึงได้รับจากการทำบุญจากการละ บ, บาปจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พวกเราก็จะเกิดความยินดีที่จะทำบุญละ บ, บา ชำระให้ใจให้สะอาดบริสุทธิ์กันแต่ในเบื้องต้นพวกเรามักจะยินดีแค่ผลของบุญและผลของการไม่ทำบาปผลของการทำบุญและการไม่ทำบาป ก, ก็คืออะไรก็คือได้เป็นเทวดานั่นเองได้ไ ป, ปได้ไปสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วแต่พวกเราไม่รู้ว่า แม้แต่เทวดาก็ต้องบมดสภาพไปเทวดาก็อยู่ภายใต้โลกของความไม่ถาวรคือโลกของอนิจจงนั่นเองไปเป็นเทวดาได้อยู่สักพักใหญ่พอน้ํามันที่ส่งให้เราไปเป็นเทวดาคือบุญนี้หมดไปเทวดาก็จะหายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กับมะกกับมะแก่มาเจ็บมาตายใหม่เช่นเดียวกับสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทวดาก็คือสวรรค์ชั้นพรหมที่เกิดจากการทำใจให้สงบชั่วคราวทำใจให้สะอาดชั่วคราวเวลาใจอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองต่างๆก็จะพักตัวชั่วคราวไม่ทำงานพอความเศร้าหมองไม่ทางานใจก็สะอาดเหมือนกับใจบยสุทสะอาดบรยสุทเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงยังไม่ใช่เป็นความบอยสุทชั่วคราวในขณะที่อยู่ในความสงบพอเวลา จิตออกมาจากความสงบกิเลสตัณหาที่ไม่ได้ถูกข่าด้วยการทำใจให้สงบก็จะออกมาแสดงอิทธิฤทธิแสดงฤทธิสดงเดช ส, สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจต่อไปนี่เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหมเวลาจิตสงบจิตก็จะเป็นพรหม แล้วก็เวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมจนกว่ากำลังของสมาธิหรือบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิหมดไปพอหมดแล้วจิตก็จะเสื่อมลงมาจากชั้นพรหมมาสู่ชั้นเทพแล้วพอบุญของชั้นเทพหมดไปก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือ พบหรือผลที่พวกเราปรารถนากันส่วนใหญ่มาทำบุญนี้อยากจะไปสวรรค์กันไม่อยากจะไปเกิดในอบายกันแต่ยังไม่กล้าไปพระนิพพานกันเพราะไม่รู้ว่าพระนิพพานนี่เป็นสวรรค์ที่วิเศษที่สุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดพอไปได้ยินได้ฟังคนเขาพูดว่าพอไปถึงนิพพานแล้วจะสูญ พอได้คำว่าศูนย์ได้ยินคำว่าศูนย์ก็กลัวแล้วควาจริงไอ้สิ่งที่ศูนย์ไม่ใช่ตัวเราศูนย์ไม่ใช่ความสุขที่ศูนย์สิ่งที่ศูนย์ก็คือกิเลสตัณหาและความทุกข์ต่างๆนี้เองตัวเราไม่ศูนย์ตัวเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราอยู่สวรรค์ชั้นเทพอยู่สวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นนิพานนี้มันดีกว่าหลายเท่าเพราะว่ามันไม่มีวันเสื่อมนั่นเองพอไปถึงสวรรค์ชั้นนิพานแล้วก็อยู่ไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่แหละคือพระนิพานเป็นอย่างนี้เป็นสวรรค์ที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดเป็นสวรรค์ที่ถาวร ไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพที่จะต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าประมาทไม่ทาบุญไม่ละบาปตายไปก็ต้องไปนรกไปอบายต่อดังนั้นขอให้พวกเราเปลี่ยนเป้าหมายจากการทาบุญละบาปเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ให้มาเปลี่ยนเป็นทาบุญละบาป แล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปการที่เราจะไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานได้นอกจากการทำบุญทำทานแล้วก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้ว หลังจากออกจากความสงบมาก็สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของแท้ถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินเทียมเป็นแบงเกออย่าไปหลงยินดีกับแบงเกอให้เป็นยินดีกับแบงจริงแบงจริงก็คือพระนิพพานแบงเกก็คือสวรค์ชั้นต่างๆ ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยากจะอยู่พระนิพพานเราก็ต้องให้เห็นว่าของทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้เป็นเหมือนของปลอมเป็นของเกได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมกไปไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไป ได้แฟนมาได้สามีได้ภรรยามาเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปได้เงินได้ทองมาเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเพราะเราต้องเอาไปใช้นั่นเองพอใช้แล้วเงินก็หมดหมดก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่พอได้มาใหม่ก็เอาไปใช้อีกพอใช้หมดก็ต้องหาอีกถ้าหาไม่ได้ก็เดือดร้อนทุกใจอีก นี่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเราจะได้ไม่ไปอยากได้อะไรแล้วเราจะเห็นว่าของที่เป็นของถาวรก็คือความไม่อยากนี่เองเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีความอยากได้อะไรใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายใจของเราจะมีความสุข นี่คือการสอนใจด้วยปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิได้ความสงบแล้วแล้วเห็นผลของความสงบว่ามีคุณค่าอย่างไรแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องรักษาความสงบนี้ด้วยการไม่ทำตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะมาทำลายความสงบของใจนี้เอง การจะไม่ทําตามความอยากได้ใจก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของปลองไม่ใช่เป็นของจริงความสุขก็เป็นความสุขปลองของอะไรที่ว่าว่าเป็นของเราก็เป็นของปลองเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไร พอใจเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะความสุขที่เราได้รับจากการทำบุญจากการละบาปจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธินี้ยังอยู่กับเราต่อไปจะไม่มีวันจากเราไปอีกต่อไป จะอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดบ่อยสุดถ้าเรารู้ว่านี่คือผลที่เราจะได้รับเราก็จะเกิดฉันทะความยินดีที่จะมาทำบุญอย่างต่อเนื่องมาละบาป ด้วยการรักษาศีลมาชำระใจด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาตามโอกาสตามเวลาที่เรามีวันไหนเราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราก็มาอยู่วัดกันมาชำระตัณหากันด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสอนใจให้เห็นว่าการทำ ตามความอยากนี้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขนี่แหละเราต้องมีฉันทะก่อนถ้าเรามีความยินดีแล้วความเพียงก็จะตามมาเองวิริยะคือความขยันอย่างญาติโยมนี่มีความขยันอุตสาห์ตื่นแต่เช้ามืดเตรียมอาหารขาวหวานต่างๆมาวัดกันเพราะมีฉันทะรู้ว่ามาทาบุญมาละบาป มาชำระใจายให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ประโยชน์อย่างไรนั่นเองคนที่ไม่มาก็เพราะว่าเขาไม่รู้ประโยชน์ของการมาวัดนั่นเองเขาจึงไม่ได้มากันพอก็ไม่รู้เขาก็ไม่มีความยินดีไม่มีความเพียรความกยันที่จะมากันดังนั้นพอเรารู้แล้วเราก็จะได้ฉันทะความพอใจ ได้วิริยะความยินดีได้ความเพียรวิริยะคือความเพียรแล้วเราก็จะได้จิตตาใจที่จดจอ่ออยู่กับเรื่องทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดเราจะไม่คิดเราจะไม่อยากจะไปทำเรื่องอื่นจะไม่อยากไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มไปเล่นไปทำอะไรต่างๆ เราอยากจะมาวัดเพียงอย่างเดียวคิดใจคิดอยู่แต่ว่าจะมาวัดเพียงอย่างเดียวจดจ่ออยู s itation, <S ่ก uh ับการทาบุญละบาตชํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่คิดอยู่กับเรื่องนี้ก็เรียกว่าวิมังสาคิดแต่เรื่องทำบุญคิดแต่เรื่องละบาปคิดแต่เรื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะไม่คิดไปเที่ยวคิดไปเล่นไปกินไปดื่ม ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะคิดอยู่เพียงแต่เมื่อไหร่จะ ไ, ได้มาทำบุญเมื่อไหร่จะได้มาทำรักษาสิงเมือ่อใดจะได้มาปฏิบัติธรรมพอเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราก็จะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อการปฏิบัติที่เป็นเหตุมันต่อเนื่อง ผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราหมันรดน้ำพลวนดินอยู่เรื่อยๆทำอยู่ทุกวันทุกวันต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามออกดอกออกผลให้เราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราปลูกแล้วเราทิ้งเราไม่สนใจไม่มารดน้ำไม่มาพลวนดินดีไม่ดีต้นไม้ก็ตายไปได้ ทั้นใดถ้าเรามีความอยากจะไปพระนิพพานแต่เรายังไม่มีอิทธิบาทสิเรายังไม่มีความยินดีไม่มีความเพียนไม่มีใจที่จดจอ่อไม่มีใจที่คิดถึงพระนิพพานเราก็จะยังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เพราะเราจะถูกเรื่องอื่นมาดึงเราไป เดี๋ยวเพื่อนก็มาชวนไปเที่ยวเดี๋ยวแฟนก็ชวนไปหาความสุขกันก็เลยไม่มีเวลาจะมาทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบรยสุทได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเราต้องระมัดระวังเวลามีอะไรมาดึงเราไปเราอย่าไปเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทํานี้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราให้ความสุขกับเราที่สูงสุดและถาวรถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะเข้าวัดได้เราจะได้ปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วได้ผลผลก็จะทำให้เราเกิดมีอิทธิบาทสี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีใครจะมายับยัง้ง การปฏิบัติของเราได้นี่แหละคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันในวันนี้มาเพื่อมาเสริมสร้างอิทธิบาสสเสริมสร้างฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการทาบุญด้วยการละบาด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เดินจงกรมเจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมอถ้าทําไปเรื่อยๆผลก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะได้ผลอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ทําแบบนี้และได้ผลมาแล้วพวกเราทําแบบนี้เราก็ต้องได้ผลแบบเดียวกันอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาทำบุญและบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา